หลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะข้อคอการใช้จ่ายทรัพย์ครั้งหนึ่งในอธิยะสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่กวนถือเอาจากทรัพย์สมบัติแกอนาถบินทิกะครือหบดี โดยตรัสให้เหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้นพึงพิจารณาจับเอาสาระธรตามสมควรดังต่อไปนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูกะคะรหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะทั้งหลายมีห้าประการดังนี้คือด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้า ซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้เอิบอิม่มเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบย่อมเลี้ยงมารดาบิดาบุตรพันรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานให้เป็นสุขให้เอิบอิม่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมเลี้ยงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เ อ, อิบอิม่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สองอีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวก ย่อมป้องกันโภคะจากพยันตรายที่จะเกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรหรือทายาทอปรีทำให้ตนสวัสดีนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สอีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมกระทําผลีห้าอย่าง คือยาติพลีสง่งเคราะห์ญาติอติธิพลีต้อนรับแขกปุพระเปตะพลีทําบุญอุทิศผู้ล่วงลับราชาผลีบำรุงราชการเทวตาพลีถวายเทวดาหรือบำรุงศาสนานี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สอีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมประดิษฐานทักกนาอันส่งผลสูงอันอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติโสรจัตซึ่งฝึกฝนตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้หายร้อนกิเลสได้นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะข้อที่ห กหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะมีหประการเหล่านี้แลถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะหประการเหล่านี้พอกซัพย์หมดสิ้นไปเขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็หมดสิ้นไปโดยในยะนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจและหากว่าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะหประการเหล่านี้โภคะทรัพย์เพิ่มผูนขึ้นเขาย่อมมีความคิดว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็เพิ่มผูนยิ่งขึ้นโดยในอยน่านี้อริยสาวกนั้น ก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองกรณีผู้ครองเรือนเมื่อมีกินมีใช้แล้วท่านถือเป็นหลักสาคัญที่จะต้องให้ปันเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและถือว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการดาเนินตามมรรคาแห่งอารยชนดังภาษิตในสุทาโภชนะชาดว่ามีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปานกลางก็พึงให้ปานกลาง มีมากก็พึงให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควรแน่ท่านโกสิยะเศรษฐีเราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปันและจงกินใช้จงขึ้นสู่มรรคาแห่งอริยชนเถิดผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขดอกการฝึกตนในการให้ปันนี้อาจทำได้โดยตั้งเป็นวัดคือข้อปฏิบัติที่ถือพิเศษเป็นประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น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 หากยังไม่ได้ให้ปัน่นก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำ